ข้อความในพระสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัาตมหาหัตถิปโทรปรมัสูตรเมื่อวานนั้นเป็นสูตรเล็กนี้มาขึ้นสูตรใหญ่มหาหัตถิปโทรปรมัสสูตรก็คือพระสูตรที่เปรียบอุปมาประดุดรอยเท้าช้างแต่เป็นสูตรใหญ่สูตรก่อนนั้นชื่อว่าเป็นสูตรเล็กข้อส40บหน้าห้า กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคก้าวประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินฑิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวธีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรเรียกพิสูจทั้งหลายมาว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจเหล่านั้นก็รับคําของท่านพระสารีบุตรแล้วอันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมเป็นปกติของ พระพุทธเจ้าเป็นต้นที่จะแสดงธรรมจะต้องกล่าวเรียกผู้ฟังก่อนเพราะว่าในขณะนั้นพระพิสูจนทั้งหลายอาจจะมัวใส่ใจกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่หรือคิดเรื่องอื่นอยู่เพราะนั้นถ้าหากว่าไม่กล่าวเรียกก่อนแสดงธรรมไปเลยเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่า พระธรรมนั้นมีเบื้องต้นเป็นอย่างไรมีท่ามกลางเป็นอย่างไรมีต้นเหตุมีต้นเขามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรมันก็ต้องมีการเรียกก่อนซึ่งภิกษุเหล่านั้นก็ขานรับว่าครับท่านผู้เจริญเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายบอกครับอยงั้นนะแล้วก็ธรรมดาซึ่งแปลว่าผู้แสดงก็พร้อมที่จะแสดงผู้ฟังก็พร้อมที่จะฟังท่านภาษาริบทก็ได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย รอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกย่อมกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยใหญ่แม้ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมส่งเคราะห์เข้าในอริยสัจสี่ฉะ น, นั้นเหมือนกันแหลนะกุศลธรรมทุกชนิดเนี่ยไม่เกินไม่เกินอริยสัจ4ี่รอกเหมือนกันกุศลธรรมทุกอย่างก็ประมวลประชุมลงในอริยสัจ4ี่นั่นแหละเพราะอริยสัจนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่แล้วก็กว้างขวางเพราะฉะนั้นกุศลธรรมทุกอย่างยังไงก็ต้องรวมอยู่ลงในอริยสัจสี่หรือกุศลธรรมทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าส อ, สอนก็สอนเพื่อให้รู้ อริยสัจสี่นั่นแหละอริยสัจ ส, สีเหล่าไหนคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธ อ, อริยสัจทุกขนิโรธคามิหนีปฏิปทาอริยสัจเนี่ยนะมันธรรมทั้งหลายที่เป็นอริยสัจเนี่ยนะเป็นทั้งกุศลอกุศลและอัพยากตะ อ, อริยสัจเนี่ยนะเป็นทั้งกุศลอกุศลและ อพยากตะท่านกุศลธรรมทั้งหลายก็รวมลงอยู่ในอริยสัจไม่เกินอริยสัจและที่สําคัญการแสดงธรรมการกล่าวธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เพื่อให้ผู้ฟังนั้นตรัสรู้อริยสัจเพื่อรู้เห็นอริยสัจทีนี้จําแนกอริยสัจว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกข์อริยสัจเป็นไงนะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกก็เป็นทุกข์นี่ยนะแม้ความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์แม้ไม่ได้สิ่งที่ตอนอยากได้หรือไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาก็เป็นทุกข์บางนัยยะก็เพิ่มอีกคำหนึ่งเอ่อเพิ่มอีกสองคำว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลัดพรากจาก สิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์หรือปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมความหวังอันนี้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่ว่านั้นนะ่ะพูดแบบยอ่อทุกข์ที่ว่าคืออะไรก็คือขันห่านั่นแหละเป็นตัวทุกข์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดให้ให้ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะมันก็ไม่จบไม่สิ้นเพราะใครก็ตามที่ที่เป็นสัตว์ที่เป็นไปในวัฏฏะก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ทางนั้นแหละ บอกแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนะถ้ามานั่งเรียกชื่อว่าการเกิดขึ้นของพระเทวทัตเป็นทุกข์ความแก่ของพระเทวทัตเป็นทุกข์ความตายของพระเทวทัตเป็นทุกข์พระเทวทัตโศกะปริเทวะทุกโทมนัน้อุปาญาตท่านก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พราดพลาดจากของรักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็เป็นทุกข์อันที่จริงแล้วสัตว์ทุกคนเกิดมามันทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละแต่ถ้าจะพูดให้มันย่อ เรียกว่าย่อทุกมันย่อไม่ได้หรอกถ้าย่อทุกลงได้ก็ทำลายไม่ยากใช่ไหมแต่ย่อดโดยการแสดงอะย่อไม่ยากจริงๆแล้วย่อลงมากองทุกทั้งมวลเหล่านั้นก็คืออะไรคืออุปาทานขันห้าสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนี่แหละคือตัวทุกเนี่ยนะอุปาทานขันนี่แปลว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสิ่งใดที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสิ่งนั้นแหละคือตัวทุกแหละ ก็อุปาทานขันที่เรียกว่ากองขันนี่แปลว่ากองกองแห่งความยึดถือคืออะไรบ้างกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือก็คือรูปกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือเวทนากองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญากองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือวิญญาณไอ้ความยึดถือนี่แหละเป็นตัวสร้างรูป สร้างเวทนาสร้างสัญญาสร้างสังขารแล้วก็สร้างวิญญาณอุปาทานขันเนี่ยนะมีความหมายว่าขันอันเป็นที่ อ, อันที่ขันที่อุปาทานสร้างขึ้นเป็นผลผลิตของอุปาทานก็ได้เป็นเอะไรนะเป็นต้นไม้ที่มาจากเมล็ดพันธุ์คืออุปาทานถ้าเปรียบถ้าเปรียบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกับต้นไม้ อุปาทานนักขันก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เพาะขึ้นมานไทีนี้พออุปตาต้นไม้คืออุปาทานขันห้าเจริญขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็ผลิต ด, ดอกออกผลเป็นเมล็ดใหม่เมล็ดอันนั้นก็คืออุปท า, านเพราะนั้นอุปาทานนักขันเนี่ยแปลว่าเป็นผลผลิตของอุปาทานขณะเดียวกันก็เป็นที่ผลิต ด, ดอกออกผลของอุปาทานอุปาทานก็เพาะเม็ดใหม่แล้วก็ไปปลูกลงไปอีกเพราะฉะนั้น เมล็ดพันธุ์กับต้นไม้เนี่ยนะมันจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมเมล็ดพันธุ์นี่เอามาเพาะปลูกเป็นต้นไม้พอต้นไม้เจริญเติบโตก็ออกดอกออกผลเป็นเมล็ดพันธุ์ได้เมล็ดพันธุ์ก็ไปเพาะปลูกอีกเพาะปลูกอีกก็ได้ต้นไม้ได้ต้นไม้ก็มีเมล็ดพันธุ์เมื่อมีเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกอีกฉันใดอุปาทานนักขันก็เหมือนกันอุปาทานนักขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเกิดจากอุปาทาน อุปาทานเป็นเช่นกับเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกขึ้นมาเนี่ยนะวันการเกิดขึ้นของอุปาทานอาคารอันประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นชาติชรามรณาโศกปริเทวทุกโทมนัตและอุปาญาตเนี่ยนะอาคารอันนี้แหละผลิต ด, ดอกออกผลมาเป็นออกมาเป็นเพาะพันธุ์เมล็ดเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานก็ไปเพาะ อ, อีกเป็นเพาะมาเป็นอุปาทานอาคารอุปาทานอาคารอีกกลออกออ ก, ออกดอกออกผลมาเป็น อุปาทานก็วนอยู่อย่างนี้แล้วจบที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรบอกว่าสายสัมพันธ์แห่งวัตตะก็เป็นไปอย่างนี้แหละเนี่ยนะมันจึงเรียกว่าหาเบื้องต้นไม่พบว่ามาตั้งแต่เมื่อไหรมันเบื้องต้นแห่งตันหาคืออุปาทานเนี่ยนะเบื้องต้นแห่งตันหาอุปาทานนั้นจึงหาไม่พบว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไร่ที่บุคคลตามรู้ไม่ได้ว่ามีตั้งแต่สมัยพระจารพระราชาองค์นู้น จักรพรรดิองนี้หรือมีมาตั้งแต่ต้นกลับเป็นต้นนะพูดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะสายสัมพันธ์สืบต่อมาแห่งวาตะน์นั้นอันบุคคลตามรู้ไม่ได้เขาเรียกว่าอนามัมตะคะเนี่ยนะตามรู้ไม่ได้เราก็มันตั้งแต่เมื่อไร่เพราะฉะนั้นจนกว่าเนี่ยนะอย่างถ้าพูดเป็นขันห้าทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะการที่เรามีตามองเห็นเนี่ยตาที่เรามองเห็นนี่มันเป็นผลผลิตของอะไร ก็เป็นผลผลิตของอุปาทานเมื่อมีตาแล้วทําอะไรก็เอาไว้สร้างอุปาทานไงเอาไว้มีอุปาทานะนะมีหูเนี่ยอุปาทานนะเป็นเมล็ดพันธุ์สร้างขึ้นมาพอมีหูปั๊บเอาไว้เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานจมูกเนี่ยอุปาทานเนี่ยสร้างขึ้นมายึดถือขึ้นมากอร่างสร้างขึ้นมาพอมีจมูกก็เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอุปาทานก็มาอาศัยจมูกนี่แหละเกิดขึ้นเสื่เนื่องเชื่อมโยงกันต่อไปหา เบื้องต้นหาเบื้องปลายไม่ไม่มีจบมีสิ้นบางคนคนเข่าทั้งหลายเข้าใจว่าเวียนว่าวตายเกิดไปเรื่อยๆแล้วมันบรรลุเ อ, ง, องนั่นนะเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนนั้จะดีจะชั่วจะเลวจะเป็นปราดบัณฑิตเป็นยาจกวันนี้พกพระเนจรจะโง่เขา่าเบาปัญญาปัญญานิ่มปัญญาอ่อนจนถึงปัญญาสูงสุดโง่ฉลาดงามไม่งา ม, ม, งามสะอาดสกปรกแค่ไหนอย่างไรก็ช่างเถอะในที่สุดมันนิพพานเหมือนกันหมดใช่ไหม บอกไม่หรอกสายสัมพันธ์แห่งวัตตะเนี่ยแมย้มันเหนียวแน่นขนาดนี้มันยากว่า ง, งั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่มีปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสัมมาสังกัปปะไม่มีอริยามรรคเนี่ยออกจากกองทุกขออกจากทุกทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ถ้าไม่มีอริยามรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ท่านเรียกว่า น, นิยานิกระท เป็นธรรมที่นำออกจากภูมิถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ออกจากการเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ออกจากความแก่ไม่ได้ถ้าไม worship, ่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ออกจากความตายไม่ได้หรือไม่พ้นไปจากความตายไปได้ถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อยากคิดเลยว่าดอกโศกจะไม่บานดอกโศกไปวา ดอกเศร้าดอกเสียใจเนี่ยนะดอกไม่สบายกายดอกไม่สบายใจดอกขับแค้นใจเนี่ยนะ น, นะเขาบอกว่าถ้าไม่เจริญอริยมรรคอยาคิดนะว่าจะเลิกบน่นรำพันก็คือพร่ำบ่นนั่นแหละบน่นบ่นอยู่นั่นแหละบอกว่าถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เลิกยากที่จะเลิกพร่ำบ่นถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อยาคิดนะว่าจะไม่อ่าจะมีความสุขทางร่างกายเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นที่ตั้งแห่ง ทุกถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ยากที่จะพ้นจากความทุกข์คือความทุกข์กายและความเสียใจถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ยากที่จะพ้นจากความเสียใจบางคนที่ลำบากใจหงุดหงิดใจบ่อยๆถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อยากคิดเลยว่าจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อั้นความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศก อ่ะนะพี่ไร้รำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ว่ย่อลงมาก็คือขันห้าหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้คือตัวทุกข์เนี่ยนะทุกข์เหล่าเนี้อยู่เอ่อแล้วเหตุของมันนะ่ะก็อุปาทานที่ยึดถือสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นตัวสร้างทุกข์ขึ้นมาอริยมรรคเน้นนาออกจากทุกข์เหล่านี้ถ้าอริยมรรคไม่ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์คือพระนิพพานก็พ้นไปจากทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะ ทีนี้แล้วในบรรดาอริยสัจสี่ครัขึ้นต้นพร ะ, พร ะ, พร ะ, พระสารีบุตรแสดงว่ากุศลธรรมทั้งหมดประชุมลงที่อริยสัจสีอริยสัจสีมีอะไรบ้างทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคาริยสัจคืออะไรคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้ามีอะไรบัง่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วรูปประขันคืออะไรทีนก็อเอาแต่หัวข้อข้อแรกเนี่ยมากล่าว รูปอุปาทานขันคือรูปหรือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือรูปประกอบไปด้วยมหาภูตรูปสี่และอุปาทายรูปรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะแต่ทั่วๆไปนี่จะยกมหาภูตรูปและกล่าวถึงรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่เพราะมหาภูตรูปแต่ละอย่างไม่ใช่มีอุปาทายรูปครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะท่านจะแสดงแบบ พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่แสดงธรรมประเภทเรียกว่าไม่ให้ไม่ให้ขัดกันเองเนี่ยนะจะไม่บอกว่ามหาภูตรูปสี่และอุปาทายรูปยี่สบสี่จะไม่แสดงแบบนี้ทําไมอ่ะคุณหาผมยังไงให้มันได้ยี่สิบสี่รูปเนี่ยนะมหาภูตรูปที่ผมเนี่ยนะมันได้สี่ใช่ไหมดินน้ําไฟลมเนี่ยหาได้แล้วหาอุปาทายรูปให้มันได้ยี่สิบสหาได้ไหมไม่ได้หาที่เล็บได้ไหมหาที่จมูกหาที่ หาที่ฟันหาที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกหาที่ตาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยี่สิบสี่รูปหาที่หูมันก็ไม่ได้ยี่บสี่รูปหาที่จมูกหาที่ลิ้นหาตรงไหนมันก็ไม่ได้ครบยีสรูปถ้าพูดเหมารวมรว ม, รวมกันได้แต่ละคนก็ได้ยี่สิบเจ็ดรูปมันได้ยี่ส็ดรูปเท่านั้นแหละแต่ละคนเพราะนั้นก็อวัยวะแต่ละจุดแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็ไม่ไม่เหมือนกันพอเมื่อมันไม่เหมือนกันเช่นนี้แล้วก็แสดงตาม สมควรเนี่ยนะบอกว่ารูปภูมิมหาภูตรูปและรูปเป็นที่อาศัยแห่งมหาภูตรูปสี่แต่ที่สำคัญถ้าใครกำหนดมหาภูตรูปแล้วอุปาทายรูปไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเกินอะไรเลยเนี่ยนะอะไรก็อะไรนะถ้ารู้หลักๆแล้วประเด็นย่อยๆข้อรองๆมาก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้ารู้จักมหาภูตรูปดีแล้วอุปาทายรูปไม่ใช่เป็นสิ่งที่รู้ยากเนี่ยนะ